ธรรมดานะในความง่วงความเมื่อยความเพลียแต่ว่าก็ให้เห็นมันนะให้รู้มันอย่าเข้าไปเป็นบางคนก็จะบอกว่าก็รู้ว่ามันง่วงแต่ว่าทําไมมันยังง่วงอยู่นะก็เพราะว่ารู้เพียงชั่วขณะเสร็จแล้วก็เผลอเข้าไปเป็นเป็นทุ่ง่วง

หรือเผลอเข้าไปในความง่วงก็รู้นะว่ามันเพลียแต่ทำไมยังเพลียอยู่นะอันนี้จริงมันไม่ได้แค่เพลียกายมันเพลียใจด้วยเพราะว่าใจมันเข้าไปในความเพลียจะรู้เนี่ยนะว่า ง, ง่วงจะรู้ว่าเพลีย ร, รู้ว่าเมื่อยเนี่ยมันต้องออกมานะจากความง่วงความเพลียความเมื่อย

ถ้าไม่ออกมามันก็ไม่เห็นนะมันก็ไม่รู้ต้องออกมาสักก่อนนะคนหนึงจะรู้นะถ้ายังเข้าไปอยู่มันก็ไม่มีทางจะรู้ก็เหมือนกับเราอยู่ในศาลาเนี่ยนะสาราไก่เนี่ยมันยากเลยนะที่จะรู้รูปพันสันฐานของศาลาเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งความสูงมันสูงเท่าไหร่นะจนกว่าเราจะออกมาจาก

สารลาพอเราออกแล้วเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะรู้รูปพรร์สันฐานเมือ่อชั่วโมงที่แล้วนะอาจารย์ทรงเสิยงก็ได้พูดถึงอดีตของสาราไก่ไที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าสาราไก่หลายคนสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าทำไมมันชื่อสาราไก่

ทั้าที่มันหน้าตามันไม่เหมือนไก่หรืออะไรเลยอะสงสัยใช่ไหมคือที่นี่ เ, นเป็นที่ตั้งของศาลาหลังเก่าศาลาหลังเก่าเนี่ยมันเป็นศาลาที่สร้าง ง, ง่ายๆขนาดก็ประมาณครึ่งหนึ่งของที่นี่นะศาลานี้

ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่ว่าสเสน่ห์ของสาราไก่เดิมคือว่ามันมีชานที่ยื่นออกมาพ้นพ้นหลังคาทั้งด้านาทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือสารานี่หันหน้าไปทางถนนเนี่ยนะทางเล็กๆ เ, เนี่ยแต่ก่อนมันคือทางสายหลักนะที่ชาว บ, บ้านก็จะมาแต่ก่อนเนี่ยมัน

อันนี้เป็นศาลาศาลาไก่เป็นศาลาหลังเดียวก็ว่าได้ของวัดป่าสุโกโตตอนที่ธรรมามาปี 26, สองหกเนี่ยศาลาหน้าเนี่ยมันมีแค่หลังคากับเสานะยังใช้การอะไรไม่ได้การทําวัสดุมวลการฉันเนี่ยพิธีต่างๆทางแหงปวนเนี่ยทาที่นี่ทำที่ศาลาหลังนี้ที่เรียกว่าเป็นศาลาไก่ก็เพราะว่าเอ่อเวลา

เวลามีเศษข้าวเหนียวเหลือนะพระบ้างโยมบ้างก็จะปโปรยข้าวไก่มันก็กรูเข้ามาและ ว, วิธีการปโปรยให้ได้ดีเนี่ยก็ต้องผสมน้ำนะผสมน้ำแล้วก็เทลงหรือว่าสาดลงไปไนะก่มันจะกรูมาจากป่าช่วงที่เป็นช่วงที่มีบางช่วงเนี่ย

มีไก่มากถึงร้อยหรือถึงสองร้อยตัวและไก่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะคอยหาข้าวตามลานที่อยู่รอบสารามันเข้ามาข้างในเลยก็ามาในสาราเลยนะมาหาอาหารแล้วก็ตอนหลังก็มาวางไข่นะแล้วก็มาฟักไข่กันในสารานี้เลยนะเพราะนั้นเนี่ย

ทำวัดไปบางทีก็มีไก่เนี่ยนั่งฟังเสียงสโซนบ่นด้วยแม่ไก่นะและแน่นอนนะพอมีไก่พอมีไข่เยิ่นอ่ะพอมีการฟักไข่เยอะนก็ต้องมีไรไรนี่ก็จะมานะก็ทําวัดไปก็บางทีก็ต้องยุกยิกกันไปนะเพราะมันมีไรที่เมื่อกี้บอกว่าสเสน่ห์ของสาระไก่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันมีมันมี

ชานที่ยื่นออกไปมันเป็นเสน่ห์งานเป็นเสน่ห์เพราะว่าเวลาทำวัดเสร็จแดดร่มลงตกเนี่ยเราก็จะนั่งตรงชานนั้นเนี่ยมันไม่มีหลังคาบางังมันนั้ก็จะเห็นท้องฟ้าเห็นต้นไผ่ล้วก็นั่งสนทนากับหลวงพ่อเราไม่สนทนากันในข้างในนะสนทนาข้างนอกตรงชานซึ่งบรรยากาศมันดีมากก็ยังเก็บความทรงจํานี้ไว้นะ

เวลาสร้างศาลาก็มักจะบอกว่าเนี่ยขอให้สร้างศาลาที่มันมีชานยื่นลงไปเถอะนะบรรยากาศมันดีแต่ก็ไม่เคยสําเร็จนะเพราะว่าถ้าเอาชานยื่นไปเนี่ยมันโดนฝนโดนแดดเนี่ยมันก็จะไม้ก็เสื่อมเร็วแต่สมัยนั้นเนี่ยสละไก่เนี่ยไอ้ชานที่ยื่นงไปเนี่ยมันเป็นปีกไม้มันเป็นปีกไม้นะคือเป็นซุ้งนะที่พาเพราะนั้นเนี่ยมันทนมากนะ

ปีกไม้แต่ละปีนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นรวมทั้งบันไดแต่ว่าสาราไก่ที่ว่าเนี่ยพอปี28ก็รื้อมาทำเป็นสาราทีา่มาตรฐานกว่าเดิมแล้วก็ขยายไปสักพักมันก็ไม่สามารถจะรองรับาชาววัดได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังก็ต้องไปขนไปลือ้อเอาหอไตราจากข้างบนเขาเนี่ยนะไปไปตั้งไว้ตรงเขตที่เป็นที่ตั้งปัจจุบันน่ะแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นนับแต่นั้นมาการธรรมสวดมนต์ที่เคยทำที่สาระไก่ก็ย้ายไปที่หอไตรจุดเด่นของสารกไก่สมัยก่อนเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะ

ก็คือว่าตรงด้านทิศเหนือเนี่ยตรงบริเวณที่แม่ออกล้างจานเนี่ยซึ่งก็เป็นชานเหมือนกันนะมันจะไม่มีหลังคาคลุมมันจะยืดออกไปจะมีต้นมะนาวอยู่ต้นหนึ่งและมะนาวต้นนี้เนี่ยเรียกว่าออกลูกดกมากเลยตลอดปี

แทบว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อมะนาวอะ่ะในวัดต้นก็ไม่ใหญ่นะที่มันตกเพราะว่าอะไรมันตกเพราะว่ามันเป็นที่ล้างจานและเวลาล้างจานเสร็จนี่นะชาวบ้านเนี่ยบางทีก็พระก็โยนอเทน้ําน้ํำล้างจานซึ่งมันมันต้องทิ้งอ่ะนะเพราะมันไม่สะอาดไอ้น้ำล้างจานนี่นะมันกลายเป็นของโปรดของต้นมะนาว

กลายเป็นว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นของเสียของทิ้งเนี่ยนะมันกลับเป็นของดีนะต้นมะนาวเนี่ยนะมันจะไม่ยอมปล่อยให้น้ำล้างจานเนี่ยเสียเปล่านะมันก็ทำให้นะกลายเป็นปุ๋ยหลังจากที่ลื้อสาระไก่เดิมแล้วมาสร้างสาระไก่ใหม่เนี่ยถึงตอนนั้นต้นมะนาวต้นนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลกละ

เหตุผลก็เพราะว่าไม่มีการเทน้ํำล้างจานลงไปตรงจุดนั้นอีกอันนี้แม่ออกเช้าบ้านเก่าๆเนี่ยแม่ดวงหรือใครแล้วใครแม่แม่เพียเนี่ยคงจะจําได้ต้นมะนาวต้นนี้มันไม่เคยปล่อยให้น้ํานะล้างจานเนี่ยเสียเปล่าเลยมันรู้จักใช้ประโยชน์จากน้ํำล้างจานมานึกดูเนี่ยนะ

นักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ควรเรียนรู้หรือบำเพ็ญตนไม่ต่างจากไอ้ต้นมะนาวต้นเนี่ยนะก็คือว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็จะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีจะ

พอใจหรือไม่น่าพอใจนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะไม่ปล่อยให้มันสูญเปล่าจะหาประโยชน์จากมันให้ได้และหาประโยชน์อย่างแรกก็คือว่าให้หมั่นรู้ให้หมั่นรู้เมื่อตอนคน่านะก็ได้พูดไปนะเรื่องความฝ่ายรู้สู้สิ่งยากนะแล้วก็บอกว่าในความฝ่รู้สู้สิ่งยากเนี่ยมันไม่ใช่เป็น

สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาควรจะมีเท่านั้นนักปฏิบัติธรรมก็ควรจะมีและฝ่ายรู้เนี่ยนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็ให้หมั่นรู้หลวงพ่อคําเกียนต้องใช้คำว่าขยันรู้นะขยันรู้โดยที่ไม่ต้องเลือกว่าจะต้องรู้เฉพาะสิ่งที่มันให้ความพอใจกับเราไม่ใช่รู้เฉพาะอารมณ์ที่มันเป็นสุข

หรือว่าเป็นกุศลอย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นอกุศลเวทนาที่เป็นทุกข์ทุกขเวทนามันเกิดขึ้นก็รู้แค่รู้อย่างเดียวเนี่ยได้ประโยชน์แล้วนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับกายรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับใจมีความง่วงเกิดขึ้นเอรู้มันมีความเครียดเกิดขึ้น

แค่รู้มันเนี่ยนะได้ประโยชน์แล้วแต่ถ้าไม่รู้นะมันเสียของนะมันไม่ใช่แค่เสียของเดียวนะมันกลายเป็นทุกข์ด้วยเพราะง่วงแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าง่วงนี่นะเราเข้าไปในความง่วงเนี่ยมันก็หลงเลยเครียดเราไม่รู้ว่าเครียดนะเราก็เป็นผู้เครียดแล้วเราก็ทุกข์ตามมาอันนี้มันยิ่งกว่าเสียของ น, นะมันเป็นการซ้ําเติมตัวเองแต่ถ้าเรา

เป็นผู้ฝ่ายรู้หรือขยันรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นก็รู้นะรู้เรียกว่ารู้แต่พึ่ต่พื้เลยนะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือลบนะอันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์จากมันแล้วเป็นการใช้ประโยชน์นะไม่เสียของแม้แต่เวลาหลงนะก็รู้นะรู้ว่าหลงเนี่ยนะอันนี้ได้ประโยชน์แล้วอันนี้แหละเป็นความหมายหนึ่งที่หลวงพ่อเรียกว่าเปลี่ยนลงให้เป็นรู้นะ

เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วจันออล ก, ก็อธิบายแนละ้วว่าเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้หมายความว่ายังไงนะจากหลงก็กลับมารู้นะอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งความหมายนี้คือว่ารู้ว่าหลงนะแค่รู้ว่าหลงเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์นะจากความหลงละเป็นการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่หมันรู้

ขยันรู้เนี่ยนะมันมันทําให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจหรือเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยมันกลายเป็นประโยชน์ทันทีแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่อในสายตาคนทั่วไปมองว่าไม่ดีซึ่งมันไม่ยากเลยนะอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยส่วนใหญ่มันเลือกไม่ได้นะนะเช่นบางอย่างเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะ่ะ

เช่นความป่วยความเมื่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายความง่วงเกิดขึ้นกับใจความโกรธเกิดขึ้นกับใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากการที่รู้ไอ้การรู้เนี่ยคือรู้ว่ามันมีรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับกายและใจถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเป็น

อันนี้มันเป็นหลักเลยนะถ้ารู้เมื่อไหร่เนี่ยมก็ไม่เข้าไปเป็นรู้ว่าง่วงก็ไม่เป็นคว้าเข้าไปเป็นผู้ผู้ง่วงแต่ส่วนใหญ่มันรู้ประเดี๋ยวเดียวรู้แค่ขนาดจิตสองขนาดจิตแล้วก็เผลอเข้าไปใหม่นะเผลอเข้าไปในความง่วงเผลอเข้าไปในความโกรธหลายคนบอกว่าทำไมรู้ว่าโกรธแล้วยังโกรธอยู่ก็เพราะว่ามันรู้ประเดี๋ยวเดียวเนี่ยแล้วมันก็เผลอเข้าไปในความโกรธแล้วพอเข้าไปในความโกรธไม่พอนะ

บางทีนอกจากตามความโกรธไปแล้วเนี่ยมันก็พยายามที่จะต้านความโกรธ ด, ด้วยไอ้ต้านความโกรธนี่ก็เป็นความหลงแบบหนึ่งนะเวลาเราต้านพยายามกดข่มมันเนี่ยก็แสดงว่าไม่รู้ละมันเป็นความหลงอีกแบบหนึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่ารู้เนี่ยนะให้มันรู้ขยันรู้เนี่ย

ในแง่เนึ้คือว่ารู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นกับการและใจแต่ถ้าเรามีประสบการณ์มากขึ้นนะเราลองพิจารณามันดูว่าเราสามารถจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างอันนี้ก็เป็นการรู้อีกแบบหนึ่งนะที่แรกรู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นต่อมาก็พยายามหาความรู้จากมัน

ไม่เหมือนกันนะทีแรกลู่ว่ามันมารู้ว่ามันรู้ว่ามันมาพอรู้ว่ามันมาเนี่ยมันทําให้เกิดการรู้ทันไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงําใจหรือว่าสามารถจัดสัตว์ันออกไปจากจิตใจได้อันนี้คือรู้อย่างแรกนะเพียงแค่รู้ว่ามันมาเพียงแค่รู้ว่ามันมีเพียงแค่รู้วมันเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถจะรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้เข้าไปถูกมันครอบงํา

หรือว่าย่ยํำยีได้นี่ถ้ากิว่าเรามีประสบการณ์มาขึ้นเนี่ยเราก็จะจะเริ่มนะคิจารณาว่าศึกษาว่ามันมีอะไรให้เรารู้บ้างนะความหลงเนี่ยมีอะไรให้เรารู้บ้างความหลงมันสามารถจะให้ความรู้อะไรกับเราได้บ้างความโกรธมีอะไรให้เรารู้บ้างนะความเกลียดมีอะไรให้เรารู้บ้าง

รวมทั้งความทุกเนี่ยมีอะไรให้เรารู้บ้างมันให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ขยันรู้อีกนะและจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่ความหลงแม้แต่ความโกรธความเกลียดความทุกเนี่ยมันมีอะไรให้เรารู้ได้เยอะเลยนะเพียงแค่เพียงแค่รู้ว่าหลงเกิดจากอะไรเนี่ยนะ

ปัญญาเกิดแล้วหลงเกิดจากอะไรโกรธเกลียดเกิดจากอะไรนะเกลียดเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะเราได้ความรู้แล้วแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ฉลาดเนี่ยพอเจอความโกรธแล้วก็พยายามผักใสพอเจอความเกลียดแล้วก็พยายามผลก็คือเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะ

ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากมันนะว่ามันเกิดจากอะไรไม่ใช่เฉพาะอารมณ์เท่านั้นนะเวลาเจอสิ่งที่เรียกว่าอนิถารลมอนิถาร ม, น, ารมนี่มีความหมายกว้างนะไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่เสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าเจอทุกถูกต่อว่าดาทอมันรวมถึงการเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นความเจ็บป่วย

ตกงานพัดพลาคจากคนรักสูญเสียของรักไอ้ผู้นี้เรียกอนิถารลมนะพอมันเกิดขึ้นเนี่ยเราขยั น, นรู้ก็คือถามศึกษาดูว่ามันบอกอะไรเรามันสอนอะไรเราแล้วเราก็จะพบว่าเออมันสอนเรื่องความไม่เที่ยงนะ

มันสอนให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยนะความเจ็บปวยก็สอนนะว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ถ้าเราถ้าเราขยันรู้ฝ่รู้แบบนี้เนี่ยนะเราจะได้กำไรนะปัญญาจะเกิดตลอดเวลาจะไม่มัวแต่เศร้าโศกฟุ้งฟ่ายขับแค้นใจ

ทำไมต้องเป็นชั้นนะคำพูดแบบนี้มันจะไม่มีเพราะว่าเราได้ความรู้จากมันลองดูดีๆถนะถ้าเราเป็นคนไฝ่รู้จริงๆเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแม้จะเป็นสิ่งที่เวลวร้ายเนี่ยเราจะได้ความรู้มีช่างไฟฟ้าคนหนึ่ง

เกิดโดนไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าแรงสูงที่ขาต้องตัดขาทั้งสองข้างช่วยเรียกว่าต้องพิการตลอดชีวิตเท่านั้นยังไม่พอไม่กี่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ภรรยาก็ทิ้งไปเรียกว่าโดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดถ้าเป็นลาจูลุกอียังไงนะโอ้โหทว่ามันซวยแบบนี้

คับแค้นใจเมีย น, นี่มันทําไมมันทิ้งในยามที่เราทุกข์นะเวลาสุขนะร่วมเสพนะแต่เวลาทุกข์ก็ทิ้งไปเนะี่ยคิดแบบนี้ก็ซ้ําเติมตัวเองนะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแต่ว่าผู้ชายนี้แปลกนะมีคนไปถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่เมียทิ้งคุณไปแก ต, ตอบ่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยคุณคิดดูซิแม่กทั่งขาของผมแท้ๆมันยังไม่อยู่กับผมเลย

จะให้เมียมันอยู่กับผมได้ยังไงนะคนที่จะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันต้องเห็นอะไรบางอย่างจากการสูญเสียขาเห็นอะไรนะเห็นว่าขาไม่ใช่ของเรานะไอะคิดว่าเป็นของเราของเราเนี่ยนะวันดีคืนดีก็ต้องตัดมันทิ้งถ้าฝ่ายรู้ขยันรู้เนี่ยมันจะเห็นตรงนี้ว่า

เหตุการณ์นี้มันสอนว่ามันมีอะไรไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมียทิ้งไปก็ก็ไม่ทุกข์อะไรเพราะเมียก็ไม่ใช่ของเราไอท้ที่ไอ้ที่มันดูเหมือนจะเป็นของเราจริงๆอยู่กับเราตั้งแต่เกิดวันดีคืนดีมันยังทิ้งเราไปเลยนี่ถ้าเราขยันรู้นะมันจะเห็นอย่างนี้มันจะเห็นธรรมะมันจะเห็นธรรมะอย่างนี้เรียกว่ากําไร

นะเสียขาไปแต่ได้ธรรมะไอ้ความทุกเนี่ยนะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราขยันรู้นะหมั่นรู้เนี่ยนะมันจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใฝ่รู้ไม่ขยันรู้นะไปเป็นะะผู้ทุกข์ซะละพรเจ้าตรัส ว, ว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้

กำหนดรู้นี่ก็อาจจะแปลไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าภาษาปริปริญญาปริญญาแปลว่ารู้ทั่วความทุกข์เนี่ยมันมีอะไรให้เรารู้ให้เราเรียนรู้เยอะเลยมันให้ความรู้กับเรามากถ้าเราพิจารณาในทุกข์เนี่ยนะมันมีธรรมที่ซ่อนอยู่เปรียบไปเหมือนกับทุเรียนนะพโยมทุเรียนเนะนี่ยนะหนามันแหลมนะ

ถ้าไปถูงน้ำแหลมไปไงเจ็บเวลาเจอหนามทุเรียนทิ่มเนี่ยคนโง่นะจะทิ้งทุเรียนไปหรืออาจจะด่าทุเรียนไอ้ธเรียนระ ย, ะยำนะแต่คุณฉลาดนี่ทำไงก็จะผ่าทุเรียนเพื่อเอาเนื้อที่อร่อยนะ

ในทุกเรียนเนี่ยมีของดีในทุกขก็มีธรรมที่หลวงพ่อขรนบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกเนี่ยคืออันนี้ทุกเนี่ยมันซ่อนความไม่ทุกอยู่มันซ่อนกุญแจที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเรามันศึกษามันดูมันรู้มันพิจารณาทุกเราจะเห็นตัวสมุ ท, ทยัยใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรา

เมื่อเห็นเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นเราถามตัวเราเองว่ามันสอนอะไรเรามันมีอะไรจะให้เรารู้บ้างเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเกิดจากปัจจัยอันนี้เกิดจากโลภะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากความง่วงบ้างนะไอการที่เราเห็น

ที่มาของมันเนี่ยตรงนี้แหละเรียกว่าปัญญานิวรณนเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเสียหายนะถ้าหากว่าเราพิจารณาหรือดูจนรู้ว่ามันมีสาเหตุจากอะไรและถึงเวลามันดับมันดับไปเพราะอะไรถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังเจริญสติปัฏฐานข้อสุดท้ายนะธรรมานุปัสสนา

วัฒนธรรมปรัชนาเนี่ยนะข้อหนึ่งคือการเข้าใจการรู้เรื่องนิวรณนแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ไม่ใช่เพียงแค่มันสอนให้เรารู้ว่ามีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างการที่เราแค่เห็นเหตุปัจจัยเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นอนัตตา

อันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วเพราะถ้ามันมีตัวมีตนเนี่ยนะมันก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องมีอะไรมาปรุงแต่งและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูไปดูไปเราก็จะเห็นนะว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นเรื่องของใจนะมันเกิดกับใจนะมันไม่ใช่เรา

ถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นมันเนี่ยไม่ค่อยปเป็นนะเราก็จะเข้าใจในะสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนพูดไม่เป็นอะไรกับอะไระเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพียงแค่ใยรู้อย่างเดียวเนี่ยนะขยันรู้เนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยถ้าเรา

ศึกษานะว่าความเจ็บป่วยมันสอนอะไรเรามันมีอะไรให้เราเรียนรู้บ้างมันมีความรู้อะไรที่จะให้กับเราบ้างเราก็จะพบต่อบไปว่าไอ้ความป่วยเป็เรื่องของกายนะแต่เมื่อไรก็ตามนะที่เผลอไปนะใจก็ป่วยด้วยป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ

อันนี้ทำได้และนี่เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะที่เราสามารถจะสกัดนะหรือเรียนรู้นะจากความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่หลวงพว่องมเคียบอกว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เป็นรอยเป็นความไม่หลงนะเป็นโกรธเป็นความไม่โกรธเนี่ย

มันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อเราเป็นผู้ขยันรู้เพียงแค่เรารู้ว่าหลงไปนะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้แล้วเมื่อเราสามารถจะเห็นความรู้ที่มันซ่อนอยู่ในความหลงนะอันนี้ยิ่งนะเป็นการเปลี่ยนหลงให้เป็นรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปใหญ่

ยมลองพิจารณาดูนะในความหลงเนี่ยมันมีความรู้ให้เราให้เราศึกษามันมีสิ่งที่มันมีสิ่งที่เราเจะเรียนรู้ได้ต้องหลายอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยจากอะไรมันกำลังสอนเราเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันสอนเรานะเรื่องรูปเรื่องนามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแต่เอาแต่

ยินดียินร้ายมีสุขก็เอาเจอทุกข์ก็ผักใสเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะก็เท่ากับว่าเสียโอกาสแล้วก็เสียของด้วยะอะไรเกิดขึ้นกับเราอย่าให้มันสูญเปล่าไร้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์จากมันเริ่มต้นที่เริ่มต้นด้วยการที่เป็นเป็นผู้ใฝ่รู้ขยันรู้นะ

วันนั้นเนี่ยนะในค่าคืนเนี่ยนะมันจะมีอะไรอะไรต่อให้เราได้รู้มากมายมีอะไรต่ออะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะนะแม้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจะไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาก็ตามตั้งสติให้ดีแล้วก็รู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นต่อไปว่ามันให้ความรู้อะไรกับเราอีก

ก็พอสมควรกับเวลานะก็ยุติเท่านี้